สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเฟรเซูตอนที่สามร้อยหกสิบเก้าเรื่องแบกกลางเขนพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบสี่พระธรรมลูกาบทที่สิบสี่ข้อที่ยี่สิบเจ็ดโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าผู้ใดไม่ได้แบกกลางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ โปรดฟังอีกครั้งผู้ใดไม่ได้แบกการเข็นของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้พี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงการเป็นสาวกที่แท้ของพระเยซูนั้นจะต้องชังคําว่าชังแปลว่ารักน้อยกว่าในวันนี้เราจะมาดูว่าคําว่าแบกกลางเข็นนะครับก็จะเป็นอีกคุณสมบัตินะครับหนึ่งอีกคุณสมบัติหนึ่ง ในการเป็นสาวกของพระเยซูแท้จริงแล้วนะครับคนที่แบกกางเขนของพระเยซูนั้นมีสองคนเท่านั้นเองครับคนแรกก็คือพระเยซูเองและคนที่สองก็คือโซซีโมนชาวไซรีนครับพี่น้องครับในขณะที่พระเยซูทรงแบกกางเขนของพระองค์เดินไปนะครับตามทางแห่งไม้กางเขนนั้น เมื่อพระเยซูเริ่มแบกไม่ไหวทหารนั้นก็เกณฑ์ซีโมนชาวไซรินได้ช่วยแบกต่อไปนี่คือภาพของการแบกกลางเขนของพระเยซูครับแต่หลายๆลยคนเข้าใจผิดคิดว่าคนที่เป็นสาวกของพระเยซูต้องแบกกลางเขนของพระเยซูในข้อยี่สิบเจ็ดนี้นะครับพี่น้องโปรดฟังอีกครั้งนะครับผู้ใดมิได้แบกกลางเขนของตนตามเรามา ผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ผู้ใดที่ไม่ได้แบกกลางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้มันหมายความว่าพระเยซูนั้นปรุงไม่ได้มีพระประสงค์ให้เราแบกกลางเขนของปรุงครับเพราะไม่มีใครแบกไหวครับแต่พระเยซูปรารถนาที่ให้เราแบกกลางเขนของเรานะครับวันนี้เราจะมาดูว่ากลางเขนของเรานั้นคืออะไรพี่น้องครับคนที่ติดตามพระเยซู จริงๆนะครับจะต้องแบกกลางเคนของตัวเองนั่นหมายความว่าจะต้องยอมรับความทุกข์ยากลาบากทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองในการติดตามพระเยซูในการเป็นสาวกแท้ของพระองค์เช่นเช่นความเจ็บปวดความผิดหวังความเศร้าโศกเสียใจการถูกข่มเหงพเพียงคับการยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นตามมาเมื่อเราติดตามพระเยซู นั่นคือไม้กางเขนของเราี่านครับไม้กางเขนของพระเยซูนั้นเป็นไม้กางเขนของพระองค์ที่พระองค์ต้องแบกไม้กางเขนสําหรับเราหรือไม้กางเขนของเรานั่นคือความทุกข์ยากลบาบากในการติดตามพระเยซูความเศร้าโศกเสียใจการข่มเหงที่เราได้รับเราจะดูกันนะครับว่าในประวัติศาสตร์ของขจจจักนั้นมีสองสามคนครับที่แบกกางเขน เป็นตัวอย่างของเรากางเขนสำหรับสเตเฟนนะครับหมายถึงการถูกขว้างด้วยก้อนหินจนตายพี่น้องคงจำได้ใช่ไหมครับว่าสเตเฟนนั้นได้สละชีพเพื่อพระเยซูนะครับคนเหล่านี้ที่สละชีพเพื่อเบียสูเราเรียกว่าพวกมาร์ตี้นะครับหรือพวกที่ทนทุกข์ทรมานแต่พลีชีพเพื่อพระเยซูเพราะฉะนั้นไม้กังเขน สำหรับสเตเฟนไม้กังเขนของสเตเฟนคือการถูกขมเหงในยอมรับความตายด้วยการถูกหินขว้างเพื่อพรเะเยซูเราจะมาดูครับว่าเปาโลนั้นเขาแบกกังเขนของตนหมายความว่าอย่างไงครับเปาโลนั้นหมายถึงการออกจากบ้านจากเมืองเขาเรียกว่าการพลัดบ้านพลัดเมืองนะครับเปาโลจะต้อง นี้ตลอดเวลาเปาโลจะต้องถูกจับคุกหลายครั้งเปาโลจะต้องเดินทางไปตามที่ต่างๆเพื่อประกาศข่าวประเสริฐมันเป็นความลำบากยากเย็นนะครับมันเป็นความทุกข์มันต้องละลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นตัวตนของตัวเองเพื่อแบกกางเขนนี้เี่นใจหครับสำหรับ คนบางคนในสมัยปัจจุบันนี้การแบกกังเขนในบ้านเมืองที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์เช่นบ้านเราหรือในบ้านเมืองที่ชอบเน้นศาสนาอื่นๆแล้วก็ใช้ศาสนานั้นเป็นตัวกีดกันเป็นตัวแบ่งพักแบ่งพวกคนเหล่านี้ก็แบบ ก, กังเขนของเขา เราต้องแบกกังเกงของเราและนี่คือคุณค่าของการเป็นสาวกที่พระเยซูบอกว่านี่คือการจ่ายราคาหรือ paid the price ของการเป็นสาวกพี่น้องครับในสมัยนี้หากพ่อแม่ไม่ต้องการให้ลูกชายลูกสาวเป็นผู้ติดตามพระเยซูนะครับบางคนอาจจะต้องถูกตัดขาดจากครอบครัวบางคนอาจจะต้องถูกไล่ล่านะครับบางครอบครัวที่มีความเคร่งในศาสนา ที่เป็นศัตรูกับศาสนาคริสต์ก็จะส่งคนไล่ล่าพวกเขาจะต้องหนีพี่น้องครับเราได้เรียนรู้นะครับว่าพวกยิวที่เลือกติดตามพระเยซูหลายหลายคนต้องถูกเนรเทศออกจากธรรมศาลานะครับเรียกว่าถูกเขาเรียกว่าถูกขับไล่นะครับถูกลงวิัยจากชุมนุมชนนะครับเพราะฉะนั้นการติดตามพระเยซูนั้นจะต้องจ่ายราคาครับและพระเยซูกําลังเรียกร้อง ให้เราจ่ายราคาก็คือการที่เราจะต้องยอมรับความทุกข์ยากลําบากอีกนายหนึ่งครับในวันนี้ที่ผมจะพูดถึงเรื่องการแบกกังเขนพี่น้องครับเราลองคิดถึงภาพที่นักโทษที่ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตนั้นจะต้องแบกกลางเขนการถูกลงโทษให้ตึงกลางเขนส่วนหนึ่งของการลงโทษคือต้องแบกกลางเขนของเขาไปตามถนนไปตามทางสาธารณะครับ เพื่อเป็นการประจานเพื่อทุกคนจะได้เห็นว่าคนคนนี้ได้ทำผิดไม่เพียงแต่ขณะที่แบกไป แ, แล้วเท่านั้นนะครับขณะที่ตั้งอยู่บนกางเขนนั้นป้ายจะต้องถูกแขวนไว้ด้วยเหมือนกันว่าคนนี้นะครับล่วงละเมิดด้วยข้อหาอะไรยกอย่างพระเยซูครับพระเยซูนั้นรงต้องตายต้องโทษประหารชีวิตเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนคนนี้ได้บอกว่าเขาเป็น พระเจ้าเป็นพระเมสสิยาพี่น้องครับคนคนนี้เป็นกษัตริย์ของพวกยิวเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือข้อหาที่ อ, อถูกลงโทษเพราะฉะนั้นการลงโทษในตึงกลางเขนเป็นส่วนหนึ่งก็คือเป็นการประจานครับให้ทุกคนได้เห็นสาวกของพระเยซูพวกเราทั้งหลายทุกคนเช่นเดียวกันครับการแบกกางเขนของเรานั้นก็คือทุกคนจะเห็นชีวิตของเราครับ นะครับทุกคนจะเห็นชีวิตของเราสาวกของพระเยซูจะต้องให้คนทั่วไปเห็นว่าเราแบกกลางเขนอย่างไรและนี่จะมีผลต่อบุคคลอื่นที่ไม่รู้จักพระเยซูด้วยพี่น้องครับชีวิตของเราทุกๆวันนะครับเราแบกกลางเขนและคนอื่นเห็นเรายอมที่จะเสียเปรียบเรายอมเดินกิโลเมตรที่สองเรายอมยกโทษให้อภยัย เรายอมที่จะรักคนที่ไม่น่ารักเรายอมที่จะเสียเปรียบในหลายหล <à lit>. <obi> สิ่งหลายหอย่างเพราะเหตุที่ว่าเรานั้นเป็นสาวกของพระเยซูครับและสาวกของพระเยซูก็เป็นพยานด้วยไม้กางเขนของตนที่แบกอยู่ครับสาวกของพระเยซูจะต้องเป็นพยานด้วยไม้กางเขนของตนที่แบกอยู่เพราะฉะนั้นเรายินดีที่จะรับความทุกข์ยากลาบากหลายครั้งแทนคนอื่นครับ เรายินดีที่รับผิดชอบในสิ่งต่างที่คนอื่นไม่รับผิดชอบเรายินดีที่จะยอมเสียเปรียบยอมเดินกลียเมตรที่สองเพื่อที่ให้คนอื่นนั้นมีความสะดวกสบายพี่น้องครับการมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นนั่นคือการแบกกลางเขนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีชีวิตของการแบกกลางเขนนั่นคือการยอมรับผลที่เกิดขึ้นเมื่อเราติดตามเป็นสาวกของพระเยซูและเรา แบกกลางเขนให้คนอื่นเห็นเพื่อที่จะเป็นพยานกลางเขนนั้นจะเป็นพยานถึงองค์พระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่จะเสริมกําลังเราในการแบกกลางเขนทุกวันติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระองค์อย่างแท้จริงอาเมน